โกเล็กโชคเล็กจหนกจมนั่งมุนราบเรียดราก่วยเราไม่เขินน้ำเลยบุญยเขาบอกอย่างไรเขาตือว่าอาบัติปฏิทินหนึ่งหนึ่งไม่หมดเฮ้มันบูชาหมักูชาคท่านหมักสู่สุณท่านคือศีลศีลสรรมาธิปัญญาดีไปย่อออกมาจากมักแปรอะไรจางลุตาเขานี่ เขาบอกว่าเขาเคียงปวดมันบอเคียง่เนพอดีพอดีเลยมันบอกม่รักษาทำไม่ได้จะค้องที่อะบ่รักษาผมว่ามันว่ามันพอดีมันพอดีของไฟของมันยังไงจวมามือนึงมือเขายอมม้นเป็นเสี้ยงไม่ไปบางที่นี่คอนพอดีนี่ข้าวว่าไปไปเขาอันนีัก็ ประธานสภาสามสมัยว่าเสนขอไปหาผบอกกับเบอกขอเจ้าฟิชนา่ามันมันมันมันมันไปเขียนมันก็เขาเขาก็เลยไปไปถามสิ่ไปเยียมควบจริงกับบจัทวา่าบบบบบมิสันเนรักกันบบบมิหุ่มได้ดวงเลยจ้ะวัดเสียงไหมบบมีโอ้ลูกน้องบัตสิมึงบบบบบมิบบบม โบบีนุ่งนุ่งสุดดงคือโบบีฝ่ายยุ่งในหลวงีอยู่กระโบวีโบเห็นโอ้ยี่ว่าพวกนี้พวกค้อนบุญจักบุญคุณ้นค้อนขี่มีคุณแก่ตอนในหลวงฟังแต่วา่าพระเจ้าแผ่นดินเพิ่นเป็นเนจ้าของแผ่นดินเมียนบอกที่เพิ่นแยกให้ฝังเขตฝังแดนปันกันผู้รัฐอันไรซ้อมไรผู้ตะกอไรซีไรผู้ละลอยไรนี่เพิ่น พันยำมันะลาะต่มันยำราคากันพนออกซิสไขรักษาของฝ่าเขามาือจงจริงันร่วมมันเป็นของคนได้นี่มันทายทอดมาก่มันมิจตยุคนี่พูดจะข้างพุทธการจะผู้พุทธเจ้ามันก็เป็นกรสาสุงเกตผู้พเจ้าสมัยสาตามันซีบสางนเป็นกรสันก็เป็นพระเจ้าพีดิ่งขึ้นคอมเมนบอกนีคนบุมีบุญบารมีไม่เสียป็น้องบ้าน้องเมืองใด ห้องถึงห้องก็มาสู้กับเพื่อนค้ากันเมนบออันไม่ได้ากัคากมประเทศที่ญป่นประทานนั้นชื่ว่าประทานที่นาประทานน่าชืบิบุมันบอสามขีกันมันมันแตกกันเลยจะพักกันรู้เมื่อไทร่บอกมันสามชิ้นพักกันทุนที่ฟันกันเมื่อไรบันเคยีเฮมันถูกต้องตามท่าของพระพุทธเจ้าจริงๆเคิดซวยกัน คิดสร้อยกันอานสร้อยกันเพื่ออะไมีความคิดดีอย่งไี้เพราะสะสมกันนะครับมาซอยกันสร้างสอยกันชิบแล้วก็ผลงามที่ไรมากก็แจกกันแบ่งกันนี่มันจ้าที่จังสื่ออดีตขับเป็นพักเลของไฟของมันอย่เม็นแบบก้วนเสื้อพักไฟพักมันมือไฟมูอมันแล้วพวกบ่อะไรเนี่ก็หาทางขัดขาเขาวันแย่งมันลั่นกันขึ้นเพราะอายุ้อนสี่ปีหนึ่งเด่นม่หมดนั่นประทานสี่ปีหนึ่ง แันพอจ้นดีมันมีตลอดเป็นบัดอนุพันธ์เน่นแต่ว่าในหลวงนี่ยหูของเฉพาต่งแต่กระดาษหูของคนที่ซื้อนี่มันก็ไปแก้วสารพัดหนึ่งคนในเม่นบงมีได้หลายไปห้องร่วงกันในเม่นบงพูดบังบุคคลบ่งจอกว่าพันมีคุณแก้วพวกเขาเรีแม่ก็ทั้งร่างกายของเขาคงเฟนดน เขาเกิดจะใส่เมเกิดจะกค้ดินเม่นบ่นักมันอยู่เมื่อกินอยู่นี่เนี่ยตลอดอพ่อแม่เขาก็เป็นของเพินเบิดสมบัติของเพินเบิดจังว่าพระเจ้าแผ่นดินและพวกอันอันนี้นงะพวกป่าชาส่นเป็นเรียงยังก่นอนลาศดรน่าจ ะ, ะดอนกับเป็นลูกเพลินมือ แต้กอนยิ่งกว่าล่าเมืองขึ้นเล่าข้นนี่แต่ก้อนเม็นบมดมันลบกันเล่าขัวเ nah mmm, ล่าขั้วกันพม่าพมื่นบุบบุบบุบเก้อนบุบลบเอาขี่ดินีดลดลดเอาคนนี่ลบออกลดออกฟาร์เลยมานคนเต่กอนเพื่อขคนไหลไม่จะจะสร้างบ้านสร้างเมืองในในที่ข้เจ้าอยู่ได้เมื่อคืนนี้มันเอาอัน พระพุทธเจ้แล้วพระอริเจ้าพระไหเอาพรพทพระธรรมพสเป็นสนะเป็นที่พึงกิเลสมันบ่ให้เอาไปชนิดมันเหี่ยยังเป็นเป็นชนะเป็นที่พึงมันเน่เอากินไปชนิดกินสะนั่งคัตสามีนอนสละนั่งคัสามีไปไปมันดอกพอใจนอกคนไปชนิดข้อมจรอยู่ปฏิบัติเป็นสร้างทุกข์มันไเกิดขึ้นว่าดีเรีนบทเป่นยังว่าอดนอนเหมือนอดนอนพอดอาหารสิ คนปฏิบัติให้ถ้ำมันโผลขึ้นมาถ้ำคืออย่างถ้ำคือทุกข์นี่แหละแต่ถ้าให้ถ้เห็นทุกข์หลายวันทุกข์หลายเก็บหลายปวดหลายเสื่อจะเจ็ดเจมเมื่อกี้เขาไปวิจัยวิจารเขาไปวิสูนรไปพิจารณ์หนาไล่หาตัวทุกตัวทุกไล่หาตทวเก็บตปวดเพื่อจะใส่ที่นี่เมื่อเมื่อว่าเห็นความจริงเลื่บัถ้าเจดเจมันผ่านเข้าไปเพื่อจะหายซึว่านี่ล้คือความรับทุกข์ม่หมอย่งว่าเขว่า ความเพี้ยนคยนว่านี่โลดความดับถุกนีโหลดทับหนีโหลดอันเดียวกันล่ะนีโหทรัพเดียวกันนี่โรดคือความดับทุกหนีโหลดถ้าไ่เห็นไรมันสิหนีโหลดเดี๋ยวนี้มันบม่จากหนีน่เพราว่ามันสูกี่เลยไม่จะเขียงเขียงพระพุทธเจ้าด้วยกี่เลนไอ้คือว่าถุคือวัตถุปัญญามันบ่จะกินก็ได้กินอย่านก็งกินอะไรนั่งมือผมอสบายอยู่สันสันแล้วหอกออกจากร่ม โอ้อโอ้จกลงส้ยไปอุเศไปลงเส้นไปพอาะวีกุฏลงลอยไปแต่น่นัดนี้มันมก็ลยไปเห็นลอยไปเห็นถ้ำถ้ำคือทุกนี่แหละแต่ว่าธรรมธรรมมาของอาจารย์สงฆ์พูดว่าเพิ่นเปลี่ทับทับอโรโคลาญาปรมราลา้าเพิ่นทำไปแปลี่ทับทับมันถูกพูดว่าอารุโคลาญาปรม่าลาา ผู้ผู้ไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งอาจารย์สิงห์กเพูดว่าอโลขยาปนามาราพาผู้มีโรคเป็นราบอย่างยิ่งเช่นนี้วันโลกความมัได้ลายหมดหเลยผู้ผู้ม่มีโรคผู้ไ่มีโรคมันเพิ่นรื้มเนื้อรืมตัวรืประมาทที่จรงเนี่ผู้มีโรคโรคหลายเค็มหลายปวดหลายม่จะไปเข้าไปเบื้องโลกพิจารณาโลกมันจะไปไปเห็นทุกข์ มันเห็นทุกเมื่อมาเห็นทุกข์เมื่อที่สาเขวกไปหาทุกข์เมื่อสาวกไปหาทุกข์เมื่อเมื่อมันไปเห็นความจริงแล้ววันนี่นั่นละลาบที่เกิดขึ้นวันีลาบลาบที่เกิดลาบเกิดขึ้นเมื่อใดลาบขึ้นกันมันไม่หนีหรอกเนี่ยหนีออกจากสายหนีออกจากเหตุออกจากเหตุเหตุปัจจัยสมุทัยเห็นที่ตัวเกิดเห็นที่ตัวเกิดมันจะใส่บัณฑเมื่อจังก่อนนั่งเขามองคิดวีนี่ก่อนเหตุ ตวสมุนไพรแมนเบิดเบิดโลกนี่เบิดวัดก็เ็นทีทุกเกิดเบิดสมุนมพเบิดมุนตัวสมุนไพรเบิถ้าให้มาสั่นคำวาน่อยคำว่ากับคิดใจคิดใจที่มันลุ่มหลงนี่เป็นตัวสมุนไทยเป็นที่ทุกเกทีว่าทุกสมุนไพรนี่โรดสามย่างนม่เป็นทุกข้างกับไปแล้วปุกเพราะเห็นว่ามักถ้าคิตใจไ่เห็นจะว่าพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าพรเห็นจกว่าล้านกับล้านเปิดเส้นเด้อ มันจะคนแตาว่าท่านเหตุมันบุฟ right er. ้องมันบ <Okay. S 2> ุฟองมันก็เลยบัเบื่อบัวนายมันบ่วจากหนีเนี่ยนะถ้ารู้เร็วมันมันหลงมันมันหลงจะคของมันหลงต่วนนั้นบหวส่วนดี้นีคิดใจนั่นนี่นี่มันมันก็มาเย็นตัร่างกายที่เฟสัวนี้เขาคูเขาคูนี่ทำทำล่องมันเรื่อยไปทำแขนทำขาทำมันไว้ทุกส่วนมันเป็นของไฟทำแขนแขนแขน มึงไปแขวนไปมันฉีคำตั ว, วาามันทำหนังทำเนื้อทำเบสทำขยับก็ไปไล่หาตัวพวกจริงมันอยู่เบื้องใดเนีน่ยมันก็เห็นตนแล้วก็มาเย็ดออกมาย็นออกร่ังกายนี่เป็นตนมากระถามมึงที่มั น, นมีอย่างไรจในร่างกายนี่มันก็นมีธาตุทั้งดินน้ำไฟล่อมธาตุดินกับอาการสามสิบองธาตุดินธาตุน้ำธาตุน้ำกับพิสมบัติของแม่ซะ ท่าดินกับปิซุมบัติของฟอสซิลของห้องยิ่งใส่มันบูมี่ได้ใส่สมบัติของฟอของเมียเนี่ยนั่นเลยวลามันเก็บไข่ในปวยเนี่ยก็ถามมึงที่ไะดินดินมันมันเก็บไข่ไปมันเก็บมันเป็นทูบองมันห่อนมันเย็นเป็นบ่อดินเนี่ยน้ำน้ามันรับสุกรับทุกบัวไฟรับซุกรับซุกบัวร่มรับสุกรับซุกบนไล่หาตัวมันมันซุกซุกซุกอะมันอยู่งสบกันมันม่นรวมอยู่บนเดียวขึ้นจิตใจนี่นั่น เจ๊ดแจ้วันลงพุทกายซื้อว่าตัวอวิชามันผพรามลู่ลู่ลวกๆนี่ก็เป็นอวิชาบัเบิดแล้รูปแล้วการปฏิบัติดิถ้ามันอยู่ในการเกิดทันทีจบแล้วนี่มันหวงมันมันมันหวงร่างกายนี่ร่างกายเปลี่ยนผมมากันไม่เหมือนกับรวดจริงๆีลยรวดคำพูดเชื่อมสกขวดนี่เลยเมนบอ มีทุกคผู้ก็บเ็บดนี่คือกันนี่ยิตใจผู้สมมุติชักก็บชักปวดจะมาเบดโรคเนี่น้มเห็นของปฏิว่มามีสองอย่างนึงเดือดเบิดโรคนอกั้นสมมติเรียกสมมติเรีย่ปฏิสลักหนมันไาลมิตรดีกับน้ำสองอย่างจดืไฟก็บ่กมีตนมีตัวลมก็บ่กมีตนมีตัวนั่นนีมม่หม ไฟก็คือความห้อนอันที่ห้องว้องเห็นมันรัศมี ม, ม, มันต่้งหากได้เลตัวไฟจะแจ้คือความหอนความหอ่อนความมีตัว ม, มีตัวร่องควมีตัวมีตัวจิตใจของเงาความมีตัวมีตัวกับเปน็น น, น, าน้าทําขือกันนั่นจะรู้ปแล้วก็พระถ้ากันล้มล่มลงมแหลงอ่งีสิรอล้แล้มอย่างว่าธรรมะอาจารย์รีพัานานบเบียงมันมิเือกับแจงว่าแม่กูเพื่อนเลย่มียังมันเบิดไปผู้ผู้นผ่านไปได้แล้วนะ เวรามันบวมเหี่ยงมันมีแต่ดังมีแต่มืดกบแจ้งมันต่เด็กน้องนั้นเปิดใส่เบิดมันดับเบิดบวมมีเวลาปฏิบัติจะไปกลัวตายแต่ละคกลัวตายมันก็ปฏิตายอย่จิตใจมัเคยตายมัเคยแตกม่นเคยรับแล้วร่างกายเขาแตกต่างหากถ้ามาใส่เขาเป็นของแตกของดับนั่นแต่ว่าเขาไปยึดมันหลง ยถือมานั่นเจ้าคุคุณแมที่ก้วพัปฏิบัติเห็นเห็นมันไร้สารยพวกเพื่อนเพื่อนเพื่อนมื่อนไปก้อนหอเยเห็นบอกคุณม่ที่แก้วนี่ยบอกที่ว่าลูกปูมันพัไปเทที่เหล็กเนบ่ยบอกนั่งนั่งนั่งวันจาเพราะว่าน้่นี่เรื่อมันบอกยื่นี่บอกไปรมาจะพูดคุณบอกรู้มานั่นบอกมือหนึง บอกที่สองบอกมือที่สามหนิมือรองมืองินน้าก็เป็นบอกที่แรกบูคือเยิาาย้มๆไขยังโฟนได้เพราะเปนั่งกีดรวมรุงเรื่อยเป็นป น, น, นึงงามมานง่งพูดมาพระที่นี้เจ้าพระสังว้บอกให้เห็นต่อพระพระญาณไม่หลงพูดบนลกตาเมากี่ตัวมาต่อให้บนจงบุญจงผลดอนั่นเชนว่นั่นงเก่าคนมีเพื่นเห็นมาหลายแต่อดีตศาสตร์พู เขาพูกข้อกี่มันต้องสงสัยเลยทีเดีห้องไฟของมันก็อมันป้องไม่ใช่เห็ฝนเรียงวันเดียวแต่มื่พร้อมก็จะนีโรทเทนละแล้วมันไปเรืบอยบางโจ๊ะ